ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทุกขะสมุทัยอริยสัยจโดเฉพาะบ่าตามปกติแล้วเวลาส่งอธิบายในที่ต่างๆก็จะท่งเน้นไปที่ลักษณะของตัณหาสามประการ คือโปโนโปปิกาก็ให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปไม่มีที่สิน้นสุดแลนันดิรากาสากตาจิตจะกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในอารมณ์นั้นแล้วก็ตัดดาตดราพินันดินีจิตก็จะเพลิดเพลิพนยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ส่งตั้งคำถาม ว่าเสยยธีดังคืออย่างไรบ้างจากนั้นก็จะทรงใช้กรรมการมตัญหาราวะตัญหาพิภาวะตัญหาการมาตัญ ห, ห, ห, หาก็คือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้ในอารมณ์ทั้ง6กประการแต่ตามปกติก็จะเน้นที่5นะครับเพราะว่าอารมณ์6ก็คือ เป็นบทสรุปของอารมณ์ห้าอารมณ์ที่หเป็นบทสรุปของอารมณ์ห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปพถะธรรมอารมณ์ทีนี้อยากเป็นเนี่ยอยากเป็นในฐานะตำแหน่งต่างๆที่จริงไอ้สิ่งที่เราเป็นมันก็เป็นรูปบ้างเป็นนามบ้างก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเป็นอะไร จะอยากเป็นในชั้นยศตำแหน่งต่างๆที่ปรากฏกันอยู่ในสังคมก็เป็นอาการของภวะตัณหาตลอดถึงอยากเป็นที่มันประหนี่ขึ้นไปเช่นว่าเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระยาบุคคลเป็นตนเราก็ยังอยู่ในกลุ่มของภวะตัณหา จนถึงกับมีการกล่าวว่าตันหังนิสายะตันหาปะหาตับบาคืออาศัยตันหาเพลละตันหาหมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องมีความอยากที่จะถึงจุดหมายปลายทางไปเรื่อยๆพอถึงจุดหมายปลายทางเราก็หยุดพอถึงแล้วถ้าเลยไปมันก็พ้นไป ถ้าม่อยากจะไปมันก็ไปไม่ถึงด้านบางครั้งก็ทรงอุปมาว่าตันหาเหมือนกับพ่วงแพรหมนันก็แพรหมอนก็เรือขนานยนต์เหมือนอะรเนี่ยเหมือนเหมือนรถเหมือนเรือต่างๆคี่นในช่วแรกเนี่ยเราต้องอาศัยเขาแต่พอถึงจุดหมายปลายทางเราก็ทิ้งเขาไปลักษณะตรงนี้เด่นชัดคือเป็นอาการของโลภะที่เด่นชัด โลภะราคะเนี่ยเด่นชัดมากแต่ส่วนที่เป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยมันเป็นอาการของโทสะคือไม่ชอบไม่พอใจไม่ต้องการก็สรุปแล้วที่จริงก็คือมันสืบเนื่องมาจากความยินดียินร้ายนั่นเองยินดีก็กาให้เกิดอาการของการมาตัณหาเพระวะตัณหายินร้ายก็เกาให้เกิดวิภาวตัณหาคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็น ในขณะเดียวกันเรามองลึกๆเนี่ยว่าการไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นหมายความว่าอยากได้อย่างอื่นใช่ไหมก็ใช่ไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการเป็นอย่างอื่นไม่ต้องการกินสิ่งนี้ก็คืออยากกินสิ่งอื่นไม่ต้องการอยู่ที่นี้ก็คือต้องการอยู่ที่อื่นมันมีลักษณะซ้อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ตามปกติแล้วเราเราไม่เคยมองในด้านที่ซ้อนกัน ก็เสร็จแล้วเราก็ตัดสินตามที่เราจําคือตอนที่จะมองตัวหลักเนี่ยมองตัวหลักมาเหมือนกันโลกเนี่ยมันมีด้านมืดด้านสว่างคือกลางคืนกลางวันแต่ในขณะเดียวกันก็มีหัวรุ่งหัวค่าซึ่งไม่ถึงกับมืดและไม่ถึงกับสว่างก็แสดงว่าจริงๆมันมีสี่มิติมันไม่ใช่ว่าเพียงสองมิติ ในตัวเนี้ยถ้าเราไปศึกษาในที่ต่างๆจะทรงแสดงเรื่องสีไว้จะเยอะมากแล้เรามองด้ใดด้านหนึ่งมันก็ไม่ชัดเพราะในขณะที่เป็นวิภาวะตัณหามันก็เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาอยู่ในขณะที่กามตัณหาภาวะตัณหาอยู่มันก็มีวิภาวะตัณหาแขงเร้นอยู่คล้ายๆก็เรามีโลภะเนี่ยก็มีโทสะแข่งเร้นอยู่ ในขณะที่เรามีโทสะมันก็มีโลภะแฝงเล่นอยู่ส่วนโมหะนั้นไม่ต้องพูดแน่นอนเขาก็ต้องอยู่ทุกแห่งอย่างเนี้ยยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทคือมืดมามืดไปแล้วที่จริงมันตรงกันข้ามกับสว่างมาสว่างไปคือมาความข้อที่หนึ่งี่ไปตรงกันข้มามกับข้อที่สี่ ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงลักษณะที่แปลกเพียนคือมีทั้งเหมือนแล้วก็มีทั้งต่างประเด็นที่สองก็คือมืดมาแต่สว่างไปไอสว่างไปเนี่ยไปเป็นเหมือนกับประเภทที่สี่แต่มืดมาเนี่ยเหมือนกับประเภทที่หนึ่งนี้สว่างมากับมืดไปสว่างมาก็ไปตรงประเภทที่สี่มืดไปก็ไปตรงประเภทที่ที่หนึ่งก็รวมแล้วก็กลายเป็นสี ทีนี้ไอ้สี่ตรงเนี้ยเราจะคิดจากอะไรต่อไปก็ได้เช่นว่าไม่รู้ไม่ชี้รู้แต่ไม่ชี้ไม่รู้แต่ก็ไม่ชี้ไม่รู้แต่ชี้นะฮะไม่รู้แต่ชี้แล้วก็รู้ด้วยแล้วก็ชี้ด้วยก็ตรงว่ามีสี่ประเภทแล้วก็คิดได้ไปเรื่อยๆแนวตรงเนี้ยมันถ้าเรามองให้เห็นว่า ใจมนุษย์เรามางก็ตามใดที่อย่างไม่หุกิเลเ่บางก็บนอยู่แต่กตัณหาทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าในมหาสติปัฏฐานในสูตรทรงอธิบายเหมือนเดิมแต่ว่าส่งขยายรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสุเมตยศาสตร์เป็นเชนไนตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยนังทิราคาเราะเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือ กร า, ารมตฐานาะว่ตาวตนานาพิพัฒนาทีนี้มันมันเนื่องจากพูดในประเด็นของสมุทัยคือเหตุเกิดของความทุกข์ก็ส่งตั้งปัญหาว่าก็ตัาหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ใดเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนจากนั้นก็ส่งสมส่สย่อยเลย ว่าที่ใดเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตัะหนั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นทีนีก้ก็ถามว่าอะไรมันเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกมันก็คือรูปคือยตนะภายนอกภายนอกหกนั่นแหละบันหมดโลกแล้วอะยถาณะภายนอกหกมนันหมดแล้วคือสิ่งที่เป็นรูป สิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นยนเย็นร้อนอนแข็งซึ่งเราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเราเห็ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวรับอารมณ์เป็นที่รักเจริญใจในโลกต่างหากเมื่อจะเกิดจ่องเกิดขึ้นที่ที่อะรที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รส ปุตตะภะคือสิ่งที่จิตกระทบแล้วก็ธรรมารมณ์เป็นแน่นอนมันก็เกิดตัณหาได้เพราะว่าตัณหาได้เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เราจะยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้หรือเฉยๆก็ได้ในที่นี้เราสังเกตว่าทรงเน้นไปที่การเกิดของกามตัณหากับภาวะตัณหาแต่ก็ยังไม่บอกว่าจริงๆมิพระวัตถานาก็กแฝงอยู่ตรงนั้นแหละ ในในขณะที่เขามีความพอใจยินดีอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิรภัณ์ธรมรมรงค์ที่จิตกำหนดวนาใครน่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยแต่ถ้าได้มันก็เข้าไปสุดเดิมแหละคือจะมีความเกิดขึ้นอีกคือคืออยากได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จิตจะสารคดจะปลูกพันอยู่ด้วยความกำนัดความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไป ทีนี้พอไม่เป็นไปาตามในเราต้องการแล้วก็เกิดความยินร้ายก็กลายเป็นวิปวัตันาด้วยนี่มีผู้ใหญ่ท่านเล่าท่านเล่าให้ฟังแล้วยังนึกยังนึกชื่นชมท่านคือสมเด็จพระสันตะปาจางหลวงวชิรญาณวงศ์ดีเจ้าวาดวัดประวัิเวทวิหารองค์ย้อนกลับไปจากองค์ปัจจุบันก็องค์ที่สา ม, มานะ คือถึงคีอเป็นสังฆราชเมื่อสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินบรนสิริวัตรสิ้นพระชน์ท่านไม่ยอมรับทไม่ยอมเป็นก็ตกลงว่าท่านขอให้สมเด็จพระยงสากตะยานแพ่ปสุทธินี่เป็นก่อนเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าสมเด็จ ว่าสุทัศน์ก็เป็นอยู่แปดปีก็สินน้นไปุนคิวก็มาถึงท่านอีก ค, คนก็มาขอร้องให้ท่านเป็นท่านบอกว่าอย่าเป็นเล ย, ยให้ทางคณะมานิกายเขาเป็นเพราะว่ า, าพระเขามากคนเขามากคณะธรรมยุทธ์เป็นกลุ่มคนเล็กๆ ก, ก็ดูแลกันได้ควบคุมกับกับกันได้ก็มีออนวอนจะถึงในหลวงในการที่แปดก็มาออนวอนด้วย แต่กระทนก็ไม่รับจนถึงก็มีคนไปทูลเสด็จอาธรซึ่งเป็นพระจธิดาในรัชกาลที่ห้าเสด็จอาธรก็เป็นอุบาสิกาที่วัดนี่แหละฝังเทศประจํามาอยู่ปจําดูแลวัดมาแต่โดยศักดิ์นี่มันเป็นย่าน้อยของสมเด็จพระสังฆ ร, ราชาท่านรับสั่งคมมากประโยคสั้นๆ น, น, นิดเดียว ท่านบอกว่าอย่าไปรบกวนกระท่านท่านกำลังเจริญวิภาวะตัณหาถูกประโยคนี้สมเด็จนิ่งเงียบเลยไม่ไม่ยอมปฏิเสธอีกแต่เนี้คือจะเห็นว่าเป็นเป็นการบางทีในเราคิดเราคิดว่าที่เป็นอย่างเนี้ยคล้ายๆธรรมาแต่จริงไม่ใช่มันเป็นอารติ มันเป็นความไม่ยินดีมันเป็นวิภ า, าวะตัณหาเส่็จแล้วเขาแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็แสดงว่าต้องการเป็นอย่างอื่นไม่ต้องการอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของภาวะตัณหาคืออยากเป็นอย่างเนี้ยเพราะบางทีเนี่ยคุณม่โ อ, อ, อวดกัน เอามายกย่องแสดงความชื่นชมอาจารย์ตัวเองค่อยเป็นยังไงก็ไม่เป็นนะพูดคล้ายๆกับไม่ยินดียินได้อะไรที่จริงไม่ใช่อะ่ะท่านยินไายท่านยินไายในตำแหน่งที่เขาต้องการให้ท่านเป็นแต่ท่านไม่ยอมเป็นท่านอาจจะยินดีในสถานะที่ท่านเป็นอยู่หรืออาจจะยินดีที่น้องเหลือไปจากนั้นแัะหลักการเหล่านี้ทำให้นึกถึงคาสั่งของ อุปชายกอาจารย์คือตอนจะมานี่ยมาอยู่กรุงเทพเนี่ยไปกราบท้าลาท่อุปชายะกับท่านอาจารย์แต่ท่านอุปชายะท่านสอนว่าสัลลหุกวุตตินะก็ท่านไม่แปลให้ฟังหรอกแปลว่าประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิตพระอาจารย์ให้ศีล สอนว่าไปอยู่กรุงเทพถ้าไม่ถึงอย่าเอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธหมายความมาถ้าควา้าเราก็เป็นกรรมาารตันหาเพราะว่าตันหาถ้าปฏิเสธเราก็เป็นวิปวัตตันหาที่ตอนนั้นมันก็นึกอะไรไม่เคาออกหรอกแต่ว่าการตอบมาผมมาเจอเรื่องอะไรต่างๆอ๋อนี่ท่านใช้ภาษาไทยแท้ๆเลย เราไม่คิดอะาจริงคือสอนให้บรรเทาตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายคือถ้าคว้ามันก็ประเจิดประเจิดมันน่าเกลียดมันแสดงการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาเกินไปแล้วเขาแต่งตั้งมอบหมายมันเป็นภารกิจว่ามือขนาดพระอาหารหันต์ท่านยังไม่ปฏิเสธเลยท่านไม่มีกิเลสเราเป็นใครอะยังไปเสร็จนั้นภารกิจที่เราจะต้องทําต่อชาติบันเมืองต่อพระศาสนา แต่งตั้งเขามอบหมายเราก็ทำทำตามที่ท่านมอบหมายแต่ก็ทำก็จบก็คือจบหมายไปเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรหรือว่ารังบงรังวันอะไรคือไม่ต้องถ้าฟังจะเห็นว่าไอ้คำยินดียินร้ายในเรื่องใหญ่มากพูดง่ายแต่ว่าทำยาก พราะนั้นคือการปิดกั้นกระแสของกิเลสทั้งโลภะโทสะโมหะมันมีสติเป็นตัวระลึกรู้แล้วก็ปัญญาเป็นตัววินิจฉัยกตัดกระแสของตัณหาไปเราเห็นว่าตัณหามา จ, จะอาจจะเกิดที่รูปที่เสียงที่กลิน่นที่รสที่ปวดทภภัพที่ธรรมารมณ์ตัวนี้ก็ทงเรียงมาตามลำดับไปทีเดียว เรียมาตามลําดับของกระบวนการรับรู้โลกเรียนรู้โลกทางประสาทสัมผัสอะแต่เรย่ลืมว่าพวกนี้จริงๆเป็นอารมณ์วิปัสสนาอยนายตนะภายในหกอยายตนะภายนอกหกเสร็จแล้วก็ไปบิญญาณวิญญาณก็หกเหมือนกันเนี่ยคือพวกนี้ชุดหกทั้งหมดชุดหกทั้งหมดเพราะว่ามันกระจายไปจากอยายตนะภายในภายนอก มอ ง, งจญายยตน้าภายในก็หกใจญายยตนาภายนอกก็หกแต่ว่ามันเป็นขนาดจิตคือพูดแบบจงนำพูดด้ใดแต่ถ้าเราใช้สติเราให้ระลึกทันได้จริงๆเนี่ยยากถ้าเราสังเกตฮะเราเห็นเราเห็นรูปปั๊บสะสมเราเห็นรู ป, ป ร, รูปที่สวยปับเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบทันที แสดงว่าตัญหามันเกิดล้วแต่ว่าจริงๆกระบวนการทางจิตนี่ท่านเรียนมาเยอะเลยจะถึงจุดตรงเนี้ในชั้นแรกอริยตาภายในอริยตาภายนอกต่อมาก็เป็นวิญญาณหกวิญญาณก็คือความรู้ในอารมณ์คือจะคุกบัญญาณความรู้ทางตาโสวตวิญญัตความรู้ทางหูกาณนะวิญญัตความรู้ทางจมูกจีวรหาบัญญัตความรู้ทางลิ้นกายจะบัญญาณความรู้ทางกายมนโนวิญญาณ ครามรู้ทางใจแล้วก็ส่งส่งส่งกันมาเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้จากนั้นก็จะเล่งสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอจตนาภายในภายในวิญญาณ3อย่างกระทบกันนี่เราเรียกว่าพัสภัสะพัสสสะทางอะไรคือกระทบทางอะไรกระทบทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วทางใจ บาลีก nah, so ็เ so, ร so, so, uh so, so, uh so. ียกว่าจักขูสัมปะโซโซตัสัมปะโซกานัสสัมปะโซจิวะสัมปะโซกายะสัมปะโซมโนสัมปะโซได้ไงก็ใช่คำว่าโลเกปิยะรูปังซาตรูปังตัวเนี้ยโลเกปิยะรูปังสาตรูปังเอเตสาตนาหูปัจจมานาปัจจติเอทะนิวิชามานานิวิสติเหมือนความว่าตรงเนี้ยที่ใจจิตไปกำหนดว่า เป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกเนี่ยตาหาเมื่อจะเกิดก็จะเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ทีนี้จากนั้นก็จะเป็นเป็นเบธานาที่จึงเป็นกระบวนการทางจิตที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันเลยนะพวกนี้ทุกวันเลยเพียงแต่ว่ามันจะเกิดตัณหาหรือเกิดธรรมะตานันเดงหรือเกิดอุเบกขาเกิดความยินดียินร้ายหรือเกิดเฉย ต่อไปก็ส่งแสดงถึงชีเวทนาเวทนาก็หกอะนะะก็เรียกว่าเรียกเต็มเต็มว่าจากคุสัมผัสสชาเวทนาความเสวย อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยแล้วก็ว่าไปได้ตัวตาสัมผัสสชาเวทนาคณนะสัมผัสสชาเวตาพูดง่า ย, ายๆว่าความเสวย อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รับสั่งว่าเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตันหางเมื่อจะเกิดต้องเกิดในที่นี้เมื่จะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ทีนี้ต่อไปพลิกไปที่อายตนาภายนอกคือรู ป, ปรสัญญาความจําหมายรูปเนี่ยแต่ความลองสังเกตว่ารูปที่เราจำเอาไว้เนี่ยบางทีเราอยากเห็นบางทีเราไม่อยากเห็น เสียงที่เราจำเอาไว้บางทีเราอยากอยากได้ย hmm. ินบางทีเราไม่อยากได้ยินในกลิ่นก็เหมือนกันเราอยากสุดดมไม่อยากสุดดมรถก็เหมือนกันเราอยากลิ้มไม่อยากลิ้มสัมผัสก็เหมือนกันเราอยากจับต้องไม่อยากจับต้องอารมณ์ก็เหมือนกันเราอยากคิดหรือไม่อยากคิดอยากคิดมันก็เป็นการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นความยินดีไม่อยากคิดก็เป็นความยินได้เราก็นาไปสู่ตัณหาสามข้อเนี่ยข้ไดข้อหนึ่ง แลทีนี้ตรงนี้เวลาทรงแสดงนิโรธเนี่ยจะแสดงเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าผู้ตัณหาจะดับตามปกติแล้วในพระสูต์ต่างๆจะไม่ขยายพิดารณ์อย่างนี้แต่เนื่องจากในพระสูตรเนี้ยทรงเน้นที่ตอนตอนเริ่มต้นหน้าแรกๆเน้ น, นที่อาตาปีสัมปชัญญสติมาวินยะโลเกภิจโดมณสัง มีความเพียนเป็นไปอย่างแรงกล้าสามารถเผาทำลายกิเลสให้ย่อยยับไปมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปช ANA นะสมชัยกรรมมาสัมปชญ n ะแปลจริงๆแปลว่ารู้ๆๆรัวทุกความงยากหน่อยคือมันรู้ทันทีอะรู้ทันทีที่เราสัมผัสอารมณ์แล้วควบควบคุมจิตกากับจิตเอไวได้ไม่ให้เกิดความยิน ด, ดียินร้าย แล้วก็มีสติคือสติมามีสติกํากับตลอดสติเป็นตัวระลึกรู้ปัญญาเป็นตัวรู้ก็แสดงว่าถ้าเราเห็นจริงๆก็ฝึกมาแหลมคมมาแต่ฝึกมาแหลมคมจริงๆในระลึกไม่ทันแล้วมันไปหายไปแล้วไปถึงไหนต่อไหนไม่รู้คล้ายๆกับข้าศึกมันรุกนี่ยคล้ายๆข้าศึกมันรุกมานี่ที่จริงถ้าเราปะทะเราก็สามารถทําลายข้าศึกเป็นตอนๆไปช่วงๆไป ได้ปัญหาว่าเราไวนา่ไหนถ้าเราไม่ไวพอคัสสิก็ทำลายเราแต่เราไวพอเราก็ทำลายคาสสิกได้มันกแค่การลุกมาของคัสสกการลุกมาของอะไรก็ได้นะฮะให้เราสังเกตว่าเขารุกมาเราตั้งรับหรือว่าเรารุกไปแต่ตั้งรับมันก็ต้องรวดเร็วต้องตัดสินใจได้เร็ว อย่างการรบในสมัยโบราณเนี่ยเรจะเห็นว่าบางทีเขาปล่อยค่าศึกเนมันเข้ามาแล้วก็ตัวที่ตั้งรับเนี่ยขึ้นกลิ้มอยู่บนที่สูงที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราจะไปเจอไอ้พวกป้อมในลักษณะนี้แยในกังกฤษแถวแถวแถวยุโรปก็มีเยอะมาความค่าศึกก็รุกขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ทีละคนก็นั่ง ก็มีทหารนีสักคนน่นั่งตีหัวตรงนั้นเน่พคนหนึ่งเหนื่อยก็คนหนึ่งก็เปลี่ยนก็เป็นการชะลอความมารวดเร็วของการศึกไว้แต่ทีนี้อารมณ์นมันไม่ใช่อย่างนั้นมาเร็วมากแล้วใจมันก็เสพพุ่นกับอารมณ์เหล่านี้เกิดเกิปั๊บก็เกิดตัณหาทันทีเลย แต่ที่จะเป็นนับประยะตัณาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาก็นับไม่ทันก็ทรงแสดงว่าจริงๆเนี่ยตัณหาก็จะเกิดก็จะเกิดที่เนี้ยมันจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้เมื่อไม่เกิดตรงไหนก็ดับตรง น, นั้นเพรา ะ, ะสายนิโรธก็จะทรงแสดงในเชิงที่เป็นดับในข้อต่อไปรับสั่งถึง ก็เรียกว่าสันเจตนาคือความจงใจเหนียวนึกตรึกนึกเป็นอาจจะเป็นอารมณ์ในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้นาคตก็ได้แต่ว่าใจเราเป็นเหนียวนึกขึ้นมามันก็เกิดเป็นพวกตัณหาขึ้นเพราะตรงตรงเนี้ยบางครั้งจะไม่สอนในลักษณะดับแต่ตรงนี้คือคือมันจะดับหลักสอนลักษณะบรรเทา บรรเทากุศลี้ตกที่มันเกิดขึ้นนี่ยอย่างมันแรงเกินไปเหนื่อยึกเรื่อหน้าความใคร่าเราจะนึกว่าเหนืยวนึกเรื่หน้าความใคร้มันก็คือกันเกิกอเกิดความมีความเป็นมีจิตกําหนัดเรื่อหน้าความเพลิดเพลินแเพลิดเพลิดเพนยิ่งขึ้นไปในสิ่งเหล่านั้นมันดับมันไม่ได้ดับยากมันเทาลดความรุนแรงลดความเข้มข้นลงไปหรือเอากันในระดับที่เรียกว่าทำได้ คือบางทีที่ที่เรายกมาเนี่ยจริงๆเราก็ปฏิบัติไม่ได้แต่อธิบายในเชิงมิจฉา ก, การก็ได้แต่สนามต้องไม่กว้าง่นอธิบายในชั้นเรียนเนี่ยนักเรียนศึกษาพิธ ร, รมเรียนพระสูตร ไ, ได้แต่เรารอธิบายละเอียดได้เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมันไม่กระจาย แต่พอถึงวิทยุจะไปเล่นยากไปยกเอาแขวนไว้ข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ไหวไง เ, เพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาควรได้รับประโยชน์อย่างในเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราทำเสียสักบางสำรวจทันใจอย่ายินดียินร้ายสบ้างไอ้การเก็บสะสมไม่รูปที่น้าล้าหน้าปรารถนาน่าพอใจรูปเสียงกีนรดปุจจารสมรมิที่น้ารหนาปรารถนานาพอใจมันจะลดลง มันโอกาสที่จะจำสิ่งที่น่าค่าน่าปรารถนาน่าพอใจมันก็น้อยให้เราสังเกตว่าเรามีวุ ธ, ธิภาวะผ่านโลกมาขนาดนี้สมมติว่าไปห้างสรรพสินค้าก็พูดไปอย่างนั้นยังไม่เคยไปแต่ก็บอกสินค้าเยอะคนเล่าใฟังก็บอกว่าเราไปเนี่ยมันมีเยอะที่เราไม่ยินดียินได้ะไร เร แ, แสดงเห็นว่าเรามีวุฒิภาวะมีเหตุผลมีสติปัญญาในการคิดในการตัดสินใจเยอะที่เราไม่อยากแล้วไม่แสดงอะไรก็เฉยเฉเฉยเนั้นอาจจะเพราะไม่รู้หรืออาจจะเพราะรู้จีเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็เฉยเฉได้รเรารู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็เฉยเฉได้ แสดงว่าตัววิชาตัวปัญญาตัวสติเนี่ยเขาก็มีกำลังก็ไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆที่การเชิญชวนชักชวนอะไรกันเตะสัตนาเนี่ยจริงมันมันเป็นเรื่องที่ใจเราเป็นเหนียวเนื้เกาสัญญาก็เหมือนกันเลยฮะเป็นความความจำมันเป็นเรื่องอดีตจำเป็นเรื่องอดีต เราก็เป็นเยื่นึกตึกนึกแต่ว่าเราก็จินตนาการอนาคตได้นะฮะจากความจําในอดีตเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันก็คือกันเราสามารถศึกษาหาข้อมูลประมาณการอะไรแต่อะไ ร, ะ ไ, รได้ต่างๆคิดว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นก็เกิดความยินดียิ น, ยนร้ายได้แต่ไรก็ไ่อยควา้าอนาคตกันด้วยโดยกระแสนเะวลนี้จริงๆคนขังเป็นกระแสที่สร้างขึ้น ทีนี้ประการต่อไปเนี่ยมันก็ไปเขาเรียกว่าตัณหามันซ้อนที่ตัณหาให้เราสังเกตว่าเช่นสมมติว่าเราชอบอาหารสักอย่างเนี่ยเิดรับประทานมาหลายวันแล้ววันหนึ่งก็อยากจะรับประทานก็แสดงว่าอาหารก็คือรู ป, ปรตัณหานะรักษะตัณหาก็แล้ว แ, แต่ต้งปวดสพนตัณหา เพราะมันเกิดซ้อนกันที่ตัณหาเดิมอะตัณหาที่เรามีอยู่ก่อนมันเกิดซ้อนกันไปวางก่อนฟังไม่จะฟังอาา่านหนังสือพิมพ์เป็นท่านผู้ใหญ่อายุแปดสิบกว่าและท่านแสดงความคิดความเห็นท่านผูกแงแกว่งดีนะีรยวท่านพูดว่า พระศาสนาแสดงสังสารวัตรเอาไว้แต่ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ผู้ขนาดนี้ก็แย่หน่อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงแล้วท่านก็บอกว่าสมมุติเรามีมันก็ตัดตอนคือท่านก็ใจผิดไม่ได้ตัดตอนนะนอกจากกรรมมาเป็นอโหสิกเท่านั้นเองที่ไม่ตัดตอนที่ตัดตอนออกไปนะจะต้องอโหสิทีนี้เพียงแต่ว่า ความรู้อะไรที่เรามีเนี่ยที่จริงมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่มียานอะไรที่จะไปยังรู้ได้ขนาดนั้นเพราะเวลาพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายท่านระลึกถึงอดีตเนี่ยก็ของเก่าทั้งนั้นเนี่ยท่านระลึกได้แสด ง, งมันก็ต่อมาเพียงแต่ว่าภพชาติมันจะปิดบางเอาไว้ยังเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยมันผ่าน อยู่ในคันซนานมันก็ละลืมหายไปแต่จะลืมว่าที่เขาลึกชาติได้โดยกาเนิดเนี่ยนะพวกเปรตพวกอสุรากายพวกแม้แต่สัตว์นรกพวกเทพพวกพรมเนี่ยเขาก็ลึกได้เพื่จแสดงว่าต่อบาปบุญนี่ต่อนะฮะคือการคิดอย่างนั้นมันก็เสียงเพราะว่าใ่สดุดโรจะไม่กลัวบาปกรรมอะไร ก็ถือว่าคล้ยเลิกแล้วต่อกันมันเลิกแล้วต่อกันไม่ได้หรอกเลิกแล้วต่อกันเนี่ยหมายความมากิเลสเราต้องหมดแต่กรรมมันจะหมดวิญญาณมันจะดับแต่ติเกเลตยังอยู่กรรมยังอยู่วิญญาณก็เกิดได้เลยก็อ่านแล้วอ่านความคิดของท่านหลายคนนะนะความคิดของท่านแต่ที่ประรบเรื่องนี้เนะี่ยประรบคนหนึ่งคืออายุท่านแปดสิบกว่าแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง อยังนึกว่าเออเสียดายในะคิดเช่นนั้นวันก่อนได้ยินระดับรองศาสตราจารย์พูดในต่องนองนี่เหมือนกันแล้วบอกว่าตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ใช่เราแล้วนั้นก็ไม่ได้หรอกคิดอย่างนั้นไม่ได้ในสุดเราจะไม่รับผิดชอบคือการเชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหาย ให้เราเชื่อไปเตะมันจะเป็นหลักยึดเนี่ยทางใจที่ให้มีความระมัดระวังในการทำในการพูดในการคิดเนี่ยบาป บ, บุญมีจริงที่ท่านเรียกว่าอะไรละ่ะไปไม่กลับหลับไม่ถึงพื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยไอ้หนีไม่พ้นเนี่ยคือบุญบาปแต่เราหนีไม่พ้นไตรลักษ์เนี่เราหนีไม่พ้น เกิดมาแล้วเรานี้แก่เจ็บตายไมพ่พ้นอันนี้เป็นความจริงเลยเพราะบุญบาปมันจะติดตามเราไปทุกคนทุกแข่งถ้าคิดอย่างนั้นก็ตัดโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตจะมีความประณีตขึ้นแล้วก็เด็กไปเชื่อถือมันก็กลายเป็นความมิจิามันก็ยากที่คนรุ่นต่อไปจะพูดให้เด็กไดเชื่อ พยายาลืมลูกหลานใกล้ชิดนะแกปักใจขวังใจคนนี้คุณปู่ว่าอย่างงี้คนนี้คนตาว่าอย่างนี้คนลุงว่าอย่างงี้ว่าอย่างไงบางค น, นช่วยๆกันหน่อยสงสารเด็กที่แกรับฟังข้อมูลข่าวสารไปเราอยู่ไม่กี่วันแล้วเราก็ตายแต่ว่าเด็กเนี่ยแกเชื่ออย่างนั้นมันจะมีผลต่อวิถีชีวิตของเธอมาก เชื่อพระครูดเจ้าไว้หน่อยเถนะเป็นชาวพุทธอะยังไงยังไงก็เชื่อไว้หน่อยตรงนี้มันต่อนะเราเห็นว่าเห็นว่าตัณหาเมื่อก็ต่อกับตัณหาได้ทีนี้จากนั้นก็ทรงพอเลยตัณหาแล้วก็มาวิตกกวิจารวิตกกวิจาร์กการถามวิตกถึงอะไรวิตกถึงรูปเสียงกิริยทัปตาภธรรมารมณ์อีกละ ลองฟังลองสังเกตว่าที่เราคิดถึงเนี่ยคิดถึงอะไรคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์นี่อาการเดียวนึกเนี่ยมันไปอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แจะไขว่คว้าปรารถนาการได้การมีกันเป็นในอนาคตก็ได้หรือกำนัดเพลิดเพลินยิ น, ยนดีอยู่กับอา ร, รมณ์ปัจจุบันก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันสั้น อนาคตบรญยาวแต่มันยังไม่มาไม่รู้ยาวขนาดไหนแต่ว่สังสารวัตรจะยาวแน่อดีตเนี่ ย, ยมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วแน่นดีสิ่งที่เหลืออยู่มันก็คือบุบบาตัวบุญซึ่งจะอยู่กับเราตลอดไปกว่าเขาจะให้ผลเสร็จมันก็วิตกวิจาร์วิตกกวิจารเนี่ยหมายความว่า วิตกเรื่องใดวิจาร์เรื่องนั้นวิจารณเรื่องใดก็วิโตกเรื่องนั้นในลักษณะของจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกพรากเหล่านี้เราจะเห็นว่าให้เป็นกุศลนี่ค่อนข้างยากการเหนียวนึกตึกนึกที่เป็นกุศลนี่มันเกิดได้ยากว่าทํำยังไงถึงจะเหนียวนึกให้เป็นกุศล ถ้าฟังลองสังเกตว่าสัมมาสังกัปปะก็ดีกุศลวิตกก็ดีนี่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่สมมาสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของความคิดความดำริความคิดแต่วิตกวิจาร์เนี่ยเขายาววิจาร์มันจะยาวก็วิจาร์ไปได้เรื่อยๆนะครักำนัดเปิดเผยยินยมยินดีตเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนก็ไม่รู้ ก็แล้วแต่ว่าจะคิดจะนานมาแล้วที่เคยเล่าถึงพิสุรูปถึงชื่อภากินยะสังการคิดคือแปลง่ายว่าหลานของพระสังการคิดท่านเป็นลูกของน้องสาวก็แสดงว่าพระสังการคิดก็บวชตอนอายุก็คงจะมากกว่าสมควรหลานชายก็บวชตามลงุลงลงุลงลุก็เป็นอุปชายะ ก็แสดงว่าบวชมานานวันหนึ่งท่านได้จีวรได้ไม่ใช่ผ้าขาวธรรมดาเนี่ยผ้าธรรมดาคือต้องการจะถวายลงลงุงต้องการบูง mm. ทีนี้พระเทรัท่านเป็นพระหันท่านมีแล้วท่านบอกว่บคุณนั่นแหละเก็บไปใช้เถอะแก่ก็ยามเชา้าซีอ้อนบอนขอ ร, อร้องรืยประกาศต่างๆท่านก่อปฏิเสธ พผู้ใหญ่เนี่ยตามปกติมันต้องช่วผู้น้อยนะฮะไม่ใช่ผู้น้อยถาวายผู้ใหญ่แกก็เริ่มไม่ใจเสียใจเริ่มคิดเลยแกคิดอยู่นั่งตรงนั้นเนี่ยนั่งพัดพระเทระอยู่พระเทระมาจากข้างนอกก็นั่งพัดอยู่ก็ถือพัดไปตานพัดอยู่แค่หน้ากัลหลังเป็นสมียโบราณนะฮะสัตวิวาริกันเตวศิษฐ์ต้องพัดครูบาอาจารย์กษัตริย์สมัยโบราณรก็จะถวายงานพัด แต่ท่านก็คิดคิดว่าเออมีแสดงว่าหลวงลุงท่านไม่อะไรยยดีกับเราแล้วเป็นคารวะเราก็เป็นหลานท่านมาบวชเราก็เป็นสาเวเทวิ์ของท่านตอนนี้หลวงลุงไม่อะไรยยดีกับเราแล้วเราสึกดีกว่าคิดตเลุดไปจนถึงสึกนะฮแต่ว่าตอนนั้นแม่ตายแล้วไอ้สึกนี้เราจะอยู่ยังไงก็คิดถึงผ้าที่ท่านจะถวายเนะี่ยเอาไปขาย ไปขายแล้วก็ไปซื้อแพะแพะมาโตเร็วแล้วก็ผสมพันธุ์ก็ออกลูกอะไรท่านไม่ได้คิดว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเสื้อผ้ามุ้งห่มอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้คิดเอาไปเลยเจาะภูเขาทะลุเป็นลูกๆไปเลยคันคิดอ่ยคิดบันเจิดเพลิดพริ้งไปเลยจนถจนก็จุดหนึ่งเนี่ย มีฐานะดีขึ้นแล้วก็ไปซื้อโคมาแล้วก็ผสมพันธุ์โคแล้วก็โคก็แตกเป็นฝูงแพะก็เป็นฝูงโคก็เป็นฝู ง, ร, งรวยละก็ไปพอใจนางพรามณีคนหนึ่งก็ไปขอมาแต่งงานก็แต่งงานกันจนอยู่ร่วมกันจนมีลูกมีเกวียนกเกลี่ยสมัยโบราณก็เรียกว่ามีรถแหละก็คิดไปจนเพลินกันนึกว่าตั้งเอา อาชื่อหลวงุงเนี่ยมาตั้งมาตั้งเป็ชื่อลูกตัวเองก็ชื่อว่าสังขรคิด ก, ก็นั่งเกวียนนําพัญญามาเพื่อไหว้ลงวงลุงตอนนั้นก็หายโกรธลวงลงแหละหายน้อยใจลวงลงแหละทีนี้คนนึกอยากจะอุ้มลูกบอกให้พัญญาจะส่งลูกให้พัญญาก็ไม่ยอมส่งก็เถียงกันไปเถียงกันมาพัญญาก็โยนลูกลงไปก็ถูกล็อกเกวียนทับ ตายเกยกรดมากเกยตีเลยทั้งหมดในใจคิดนเห็นไหมการมีตกจุดนึกด้วยหน้าความใครายเนี่ยมันเลิดไปหายเลยทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะทั้งตัณหาทั้งมานะไปเป็นแถบไปเลยอาการกิเลสทั้งนั้นพอตีเนี่ยเกยเคลอบไปแล้วตีบนหัวลุงๆเลยพรารหันเลยลุงๆกำหนดดูจิตว่า เอ๊ะทำไมปฏิเราทำไมก็รู้ความคิดแต่ก็เตือนมาสังกระดกขีดเลยจะตีหัวผู้หญิงเะี่ยตรงชายกับท่านชายกมา็มามาตุคามจะตีหัวผู้หญิงตีไม่ได้เราไปตีหัวลุงตาแก่แกตีหัวลุงตาแก่แกทาไมโตกใจก็วิ่งนีเพื่อนก็ไปจับมาขว้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าทรงสอนให้เห็นว่าสภาพจิตที่มันดิ้นเนี่ย มันห้ามยากมันหยุดมันยากมันป้องกันมันยากมันเตลิดเปิดเปิงไปมันได้เห็นว่าแนววิตกวิจาร์เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากสัญญาสัญเจตนาทีนี้สัญญาสัญเจตนามันก็สืบเนื่องมาจากพวกเวทนาพวกผัสสะพวกบิณยาณพวกวิตกวิจารมาย้อนไปต้องฟังลองสังเกตว่าในปฏิจจสม บ, บาทเนี่ยทรงให้รายละเอียดน้อยกว่านี้ ตรงนี้ต้อให้รายละเอียดเยอะในปฏิญาณสมบตัติพอนามารูปแล้วก็อายตนาอายตนาและผัสสะเลยนะไม่พูดเรื่องวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยพูดแล้วหมายถึงในที่เดียวกันแต่ว่าตรงนั้นเป็นบริสุนทธิวิญญาณวิญญาณแล้วก็มาผัสสะประสาและเวทนาแล้วก็ตัณหาแล้วอุปาทานแล้วก็พบแล้วก็ชาติไปเลยในปฏิญาณสมบัติ จะไม่ซอยถี่แต่ว่าที่จริงบางทีก็ซอยซอยซอยถี่มากกว่านี้ก็ได้แต่ซอยมากไปก็อย่างว่าแหละคือเราก็ไปรู้ไม่ทันคือบางทีมันก็จําเป็นนะคล้ายๆกับยาเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีเครื่องปรุงอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของยาเม็ดนั้นแหละเรารู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างหรือเราไม่รู้นี่กินก็ไปหายโรคเหมือนกัน เพราะธรรมะปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะคล้ายๆกับยาถ้ารู้ว่ายา น, นี้แกโรคอะไรก็พอแล้วไม่ต้องไปรุ่งรายละเอียดมันมากหรอกต่กินเข้าไปยาก็ทำหน้าที่ของเขาเองธรรมะปฏิบั ต, บติบางครั้งเวลาท่านฉลาดสอนนี่ท่านจะไม่พูดมากจะลองสังเกตนะฮะเช่นหลวงปู่เสาเอย่างเงี้ยเอวภาวานาพุทโธ ปาวนาเคยเจอพระจางฟันเนี่ยท่านพูดไปพูดาเออปาวนาพุโทโตต้องหลวง ป, ปู่แหวนก็พูดอย่างนี้แกไม่พูดมากหลวง ป, ปู่บุตรดาก็พูดในนั้นแะแกท่านจะไม่พูดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันธรรมะ ก, ก็คือกระบวนการกระบวนการของกุศลเมื่อเราเพิ่มกุศลขึ้นเนีอกุศลก็ลด ก็ลดลงไปตรงนี้มันมันคล้ายๆกับทางขนานที่ไม่มีจุดบรรจบกุศลวิโตกานกุศลวิตกมันอยู่คนละเรื่องเลยคนลรฝั่งฟ้ า, ก, า ก, กันเลยมันจะมีได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ น, นั้นเองอยไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันมีข้อแม้นะฮะก็ต้องในขณะเดียวกันเพราะทางขนาดมันเกิดได้แต่ขณะเดียวกันนี่จะเกิดไม่ได้ เราะันในที่สุดก็มาสรุปไว้เหมือนเดิมนะฮะบอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจแปลว่าความจริงคือเหตุเกิดขึ้นแห่งความทกุกข์กายดังนั้นที่เรามองเนี่ยเรามองปัญหาว่า ในเบ็ดบวของของนักวิจัยการก็พยายามอ่านหนังสือทางวิจาการเออเขาก็มองแบบนักวิจัยการข้างนอกอ่ะเขาไม่คิดว่าทั้งหมดมันเป็นนามธรรมยกตัวอย่างเช่นเช่นบัตเรเสรจอะไรเนี่ยเช่นว่าจะซื้อแลกไก่แลกอะไรสินค้ากา ร, กรเกษตรทั้งหลายเนี่ยคือไปโจมตีในประเด็นในประเด็นว่าไป ส่งเสริมสนับสนุนพวกของตัวเองเลิกพูดเลยนะพูดอย่างนไะเลิกพูดเลยคือเมื่อมันผสมพันก็เลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่คุณกุลก็เลี้ยงมาสิคนที่สนับสนุนพรรคพวกคุณก็เลี้ยงไก่ขึ้นมามันก็อยู่ในโครต้าได้มันไม่แปลกอะไรหรอกก็เป็นแสนแสนเ อ, อาไปซื้อเครื่องบินอ่ะคือมันจิตไม่ได้เืลอไอ้นั่นมริษยา แหตไม่ใช่ความเห็นนะคือริษยาเป็การแข่งดีการเป็นการต่อสู้กันแต่ถ้าเธอมีคุณธรรมอยู่ภายในใจเธอไม่มองอย่า ง, งานั้นว่ามันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองนี่เราไปแสตับสนุนคนนั้นคนนี้มันไม่ได้หรอกอะไรมันก็ต้องซื้อของกันนั้น มันไม่แค่ว่าญาติญาติพวกรัฐบาลจะต้องหยุดงานอาชีพทั้งหมดเลยจึงจะเรียกว่าโปรง่งใสเรียกว่าบริสุทธิธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะอันนี้คื อ, ค, อคือเวลาเขาฟังอภิปรายเนี่ยมันคิดยังไงอะชาวบ้านเราในนักวิะชาการบ้านเราคิดยังไงเธอไม่รู้ที่เธอพูดดี๋ยมันกิเลตพูดมันไม่ใช่ธรรมะพูด แสดงความคิดความเห็นก็แช่งแต่ให้รัฐบาลพังพังไปรัฐบาลไหนเกิดมาไม่เคยดีเลยพอออกไปแล้วก็ดีเห็นไหมสมัยคุณเพรมสมัยคุณชวนสมัยคุณชาติชายเน่ย ต, ตอนก็เป็นไม่ดีทั้งนั้นแหละคุณบัญหาอะไรเนี่ยพอออกไปแล้วดีคนปัจจุบันต้องไม่ดีทุกทีเลยไม่ว่าใครก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงไม่เข้าใจไม่ใช่ธรรมะตอนให้คิดยนะกิเลสกระสิบใจนะฮะ กิตัิหารกสิบใจฤิษยากสิบใจวิหิงสากสิบใจพรงนี้เป็นสมุทัยเอ๋เกิดของทุกข์ตัวเองทนไม่ได้ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะรุ้นนี้จะเป็นกรอบใหญ่มากต้องฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมังวิทตรไหลสีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเป็นครั้งนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรณาธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี